23. ต้องฟังธรรมะให้เข้าถึงจิตถึงใจวงเล็บเปิด 7. เมษายน2551นหาในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที23วงเล็บปิดหลวงพ่อทำไมต้องพยายามพูดเรื่องนี้กลัวว่าพวกเราจะลืมไปยากเหลือเกินที่ธรรมะจะทรงอยู่ในจิตของปุถุชนได้ยากที่สุดเลยฉะนั้นต้องฟังแล้วฟังอีกนะถึงมีซีดีมีหนังสือเอาไว้ให้ หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลครั้งสุดท้ายสามสิบหกวันก่อนท่านจะมรณภาพท่านกําชับเอาไว้หนักหนาจำเอาไว้นะจำเอาไว้นะเครื่องหมายคําพูดเปิดพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงปิดเครื่องหมายคําพูดจำเอาไว้นะเราจำเอาไว้นะแต่จําได้ไม่นานธรรมะหนี้หายไปจากใจเราเราก็ภาวนาไปเรื่อยเลยทําไมมันไม่จบทําไมมันไม่จบนะ มันมีความไม่รู้อะไรสักอย่างโอ้กว่าจะกลับมาจําได้นะว่าให้ทาลายผู้รู้วิธีทาลายผู้รู้คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนี่ธรรมะทั้งหลายที่ท่านสอนเอาไว้นะกว่ามันจะมาชนกันมาประชุมกันในจุดเดียวทั้งหมดก็ลืมไปเสช่วงหนึ่งโมแ ต, ตะตลุมบอลจนลืม ฉะนั้นเราฟังหลวงพ่อพูดนะฟังแล้วฟังอีกฟังเอาไว้ให้ฝังใจนะถ้าฟังด้วยจิตที่ตั้งมั่นจริงๆเนี่ยมันจะฝังใจข้ามภพข้ามชาติไปไม่ใช่เข้าสมองนะถ้าเข้าสมองนะไม่นานก็ลืมไปแต่ธรรมะเนี่ยฟังแล้วเข้าถึงใจทำได้นะตั้งใจฟังด้วยจิตใจที่สงบจริงๆฝังด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมอ่อนโยนต่อธรรมะเคยมีพระองค์หนึ่งอยู่กับอาจารย์เมื่อพศสามร้อย ช่วงนั้นอาจารย์เป็นมะเร็งผิวหนังแผลเนี่ยกินลึกลงไปเรื่อยๆถึงกระดูกน้าแข้งพระองค์นั้นยังหนุ่มๆนะก็พยายามหาใบไม้หายาอะไรเนี่ยนะมาพอกพอ ก, พ อ, กอาจารย์ก็หนักลงเรื่อยๆวันที่อาจารย์จะตายนะอาจารย์ให้ประคองขึ้นมานั่งบนแคร่พระร้องไห้เลยนะร้องไห้อาจารย์จะตายแล้วรักอาจารย์อาจารย์สอนขึ้นมาประโยคหนึ่งเครื่องหมายคำพูดเปิดจะร้องไห้จะเสียใจทําไม กายของเรากระสับกระสายแต่จิตเราไม่กระสับกระสายเลยปิดเครื่องหมายคำพูดนี่ประโยคนี้นะฝังเข้าถึงจิตถึงใจมันเป็นไกด์ไลน์ในวงเล็บแนวทางให้พระองค์นี้ภาวนามาเรื่อยๆรู้ว่าวันหนึ่งนี่จิตกับกายจะอิสระจากกันความทุกข์จะอยู่ที่กายเท่านั้นความทุกข์จะไม่อยู่ที่จิตทำมอย่างนี้นะฝึกเข้าถึงอกถึงใจจริงๆข้ามภพข้ามชาติมา แต่ธรรมะที่เรียนแล้วท่องๆเอาไว้จำๆเอาไว้นะมันฝังอยู่ในสมองกิเลสไม่ได้อยู่ในสมองนะกิเลสอยู่ที่ใจเราถ้าธรรมะไม่เข้าถึงใจเนี่ยไม่สามารถขุดคุยทำลายกิเลสได้ธรรมะอยู่ในสมองแก่ๆ แ, แล้วก็ลืมไปถ้าแก่นะอย่างไรก็ลืมฉะนั้นฟังแล้วฟังอีกนะฟังด้วยใจที่ซึมซาบในธรรมะอย่านึกว่ารู้แล้วไม่รู้หรอกฟังนะฟังอย่านึกว่ารู้แล้วไม่รู้จริงหรอก อาศัยการฟังแล้วฟังอีกนี่แหละถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าเราเจริญสติปัฏฐานของเราเพียงพออินทรีย์แก่กล้าการฟังธรรมซึ่งไปฟังผ่านหูมานับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยมันจะสกิดตัวเองขึ้นมามันจะเข้าถึงมรรคผลโดยฉับพลันเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลจึงมีคนเป็นจํานวนมากใช่ไหมนั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศก็บรรลุในธรรมะที่ฟังเลยบางคนฟังครั้งแรกก็บรรลุแล้วอย่างพระภาหิยะ ไปขอให้พระพุทธเจ้าเทศให้ฟังท่านก็เทศนะเครื่องหมายคำพูดเปิดดูกราพยะในการใดเมื่อท่านเห็นจากเป็นสักว่าเห็นเมื่อท่านฟังจากเป็นสักว่าฟังเมื่อท่านทราบจากเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจากเป็นสักว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านยอมไม่มีในการใดที่ท่านไม่มีในปัจจุบันท่านยอมไม่มีในอดีตในอนาคตนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ปิดเครื่องหมายคำพูด พระพาหยะบรรลุพระอรหันต์เลยในขณะนั้นให้เราฟังอย่างนั้นบรรลุไหมไม่บรรลุนะท่านพระพาหิยะบรรลุเพราะท่านภาวนาจนตายมาแล้วในชาติก่อนๆท่านหัดรู้กายรู้ใจอย่างนี้แหละทําอย่างนี้แหละซ้ําแล้วซ้ําอีกมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพออินทรีย์ท่านแก่รอบตรงนี้นะท่านมาฟังนิดเดียวเหมือนเราเป็นฝีนะฝีนี่มันแก่เต็มที่อะไรเกี่ยวนิดเดียวฝีแตกออกมาเลยแต่อันนี้มันเทียบเนกาทีฟในวงเล็บ ทางลบไปหน่อยหลวงพ่ อ, อยังหาตัวเทียบที่เป็น o s i ิ i v e ในวงเล็บทางบวกไม่ได้เหมือนธรรมะที่มันบ่มอยู่ในใจเรานะบ่มเต็มที่แล้วเนี่ยสกิดนิดเดียวมันระเบิดเปลี่ยงเลยมันต้องสะสมนะฟังแล้วฟังอีกเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเข้าใจขึ้นมาปิ๊งขึ้นมามีหลายคนที่ฟังหลวงพ่อพูดนะฟังฟั ง, ฟ, งฟังประโยคเดิมนั่นแหละฟังถึงจุดที่เขาพอนะมันก็สลัดออกมาเลยเหมือนสะเทือนเข้าถึงจิตถึงใจ บางคนไม่ได้มานั่งฟังไปภาวนาของตัวเองอยู่ในขณะที่จะบรรลุถึงธรรมะเนี่ยมันเข้าใจธรรมะปิ๊งขึ้นมาเลยบางทีจิตมันตรึกถึงธรรมะที่เคยฟังมาแล้วเหมือนว่าได้ยินครูบาอาจารย์มาพูดซ้าให้ฟังต่อหน้าแล้วก็บรรลุอย่างนี้ก็มีนะพวกหนึ่งบรรลุต่อหน้าเลยขณะที่ฟังอยู่พวกหนึ่งเนี่ยไม่ได้ฟังอยู่แต่ว่าขณะที่จิตมันพร้อมเนี่ยนะ เหมือนเกิดภาพขึ้นมาหรือเกิดเสียงขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าบ้างหรือครูบาอาจารย์บ้างเทศให้ฟังบรรลุเลยในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะเลยที่บอกว่าพระองค์นี้ฟังเทศแล้วไปอยู่ตามถ้มตามเขาอะไรอย่างนี้นะไปองเดียวแล้วอยู่ๆพระพุทธเจ้าก็ฉายพระราษมีไปปรากฏขึ้นต่อหน้าปรากฏขึ้นต่อหน้าแล้วท่านพูดธรรมะให้ฟังก็ปิ๊งเลยบรรลุเลยนี่คืออาการอีกชนิดหนึ่ง แท้จริงท่านไม่จำเป็นต้องฉายรัศมีไปหรอกพวกเรารุ่นนี้ก็ยังเคยเจอกันพวกเราบางคนนะเห็นครูบาอาจารย์มาสอนให้แล้วปิ๊งเลยจิตซึ่งมันเคยฟังทำมาแล้วมันแอบสอบในวงเล็บซึมซาบธรรมะเอาไว้ถึงวันหนึ่งธรรมะนั่นแหละสอนเราอีกพวกหนึ่งนะไม่มีคำสอนใดๆผุดขึ้นตามรู้ตามดูเรื่อยๆไปก็หลุดเพาะออกไปเลยนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นมีหลายแบบของเราจะเป็นแบบไหนยังไม่รู้ฟังเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน